วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบแปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้ยินดีในรถแห่งธรรมได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนธรรมะที่จะเอามาแสดง <c oughs> ให้ฟังในวันนี้ ก็มีหัวข้อว่าโอกาสทองของชีวิตอะไรคือโอกาสทองของชีวิตก็คือโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่มีคุณค่าน้ำค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ทรัพสมบัติข้าของเงินทองต่างๆถึงแม้จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดก็ตามแต่ก็จะสู้สิ่งที่พระพุทธศาสนาจะมอบให้กับพวกเราไม่ได้สิ่งนั้นก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการเข้าถึงมรรคผลนิพพานที่มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวการที่จะมีโอกาสทองเกิดขึ้นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สามองค์ประกอบด้วยกันกคือหนึ่งจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อสองจะต้องพบกับพระพุทธศาสนาสาม จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้แล้ว<ม>ก็ถือว่าได้พบกับโอกาสทองของชีวิตแล้วได้มีโอกาสเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ถ้าขาดองค์ประกอบองค์ใดองค์หนึ่งไปโอกาสทองก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นถ้ามาเกิดในโลกในตอนนี้ที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เ, ยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นนกเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่เช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่วัดสัตว์เหล่านี้ถึงแม้จะได้อยู่กับพระพุทธศาสนาแต่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาอาจจะได้ความปลอดภัยจากการที่ได้มาอยู่อาศัยในวัดเพราะจะเป็นที่ปลอดภัยจากการทำร้ายกัน จะไม่สามารถเรียนรู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ mm hmm. ดังนั้นการได้มาเกิดเป็นสเราชานและได้มาพบกับพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็จะไม่สามารถทําให้ได้รับผลประโยชน์อันสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ mm hmm. นั่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ห้าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายกว่าจะได้กลับมาเกิดมนุษย์แต่ละครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลามากเพราะมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันที่จําเป็นจะต้องมีถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งเช่นถ้าเราตายไปแล้วในตอนนี้ เราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ได้ทันทีเลยเร า, า จ, จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วจะรับผลบุญผลบาปนานหรือไม่นานก็อยู่กับบุญหรือบาปที่เราได้ทำกันในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราทำกันมากน้อยเพียงไรยิ่งทำบุญทำบาปมากก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปมาก ก็ต้องใช้เวลามากต่อการต้องไปรับผลบุญผลบาปและเมื่อได้ชำระได้ใช้ผลบุญผลบาปหมดไปแล้วพร้อมที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องมารอรับร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีจํานวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนของสัตว์เลี้ยงาชานมนุษย์นี่ มีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของสัตว์เดรัจฉานถ้าดวงวิญญาณที่ต้องการจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มีมากก็ต้องเข้าคิวกันต้องรอโอกาสหรือรอจังหวะของตนถึงจะสามารถได้ร่างกายของมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ท่านจึงถือว่าเป็นของยากมากไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดขึ้นได้ไง่ายๆและการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจึงควรถือว่าเราเป็นผู้ที่มีมีโชคมากมีบุญมากมที่ได้ร่างกายของมนุษย์มาในขณะนี้แล้วพอเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นตอนนี้เราก็จะได้โอกาสรับผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาที่เป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าต่าคพระองค์ที่จะมาตัดสรุธรรมมา ประกาศพระศาสนาเม็ดมาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมานี้มีจำนวนน้อยมากนานๆถึงจะมีผู้ที่มีความสามารถมาตัดสล้นเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสัุ้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลก านานถึงจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแต่ละครั้งเวลานี้ท่านนับเป็นกลับเป็นกันซึ่งเป็นจํานวนที่ยาวมากนานมากไม่คิวไม่รู้ว่ากี่ล้านกี่ล้านคนูกี่ล้านครั้งด้วยกันกี่ล้านกี่ล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสัต mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าขององค์ปัจจุบันนี้ ที่มาตัดสลุปอยู่นี่ก็มาระหว่างช่วงระหว่างองค์ที่แล้วกับองค์ทิ้องค์งปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานมากดนั้นการที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระพุทธศาสนาทุกๆุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งเรามาเกิดเป็นมนุษย์ เราก็อาจจะไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีใครสั่งใครสอนวิธีการทําจิตใจของพวกเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากแสนยากแล้วแล้วต้องมาเจอกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาที่เป็นของยากยิ่งกว่าอีกหลายล้านเท่านี้ โอกาสที่จะได้มาเป็นมนุษย์และได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี่จึงถือว่าเป็นของที่ยากมากถ้าใครได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพวกเราในตอนนี้ถือว่าได้สิ่งที่ได้ยากมากเหมือนกับการถูกวัตเทรลี่รางวัลที่หนึ่งการถูกวัตเทลี่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่แทง ซื้อล่ตตอรี่แล้วจะได้ถูกางวัลที่หนึ่งกันมีคนเป็นล้านซื้อกันมีคนไม่กี่คนที่ถูกางวัลที่หนึ่ง<ม>พวกเราก็เหมือนกันการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์การที่ได้มาเกิดร้าได้มารบกับพระพุทธศาสนานี้<ม>ก็จะถือว่าเป็นการถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง<ม>ของชีวิตก็ได้<ม> แต่ถึงเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า<ม>โอกาสทองของชีวิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เราจะไม่สามารถรับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาได้ ถึงแม้มาเกิดในเมืองพุทธแต่ไม่รู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรบ้าง <S S S กลับไปเชื่อเรื่องงมงายต่างๆ<ม>ที่ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็าตา ม, มถ้าไม่มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรม ก็ยังไม่ได้สามารถเอารับผลประโยชน์อันสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้โอกาสทองของชีวิตก็ยังไม่เกิดขึ้นการที่จะมีโอกาสทองของชีวิตเพื่อที่เราจะได้รับผลประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาได้นอกจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เราจําเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติด้วย mm hmm. นี่คือองค์ประกอบอันที่สามที่สําคัญพอๆกับองค์ที่หนึ่งที่สอง mm hmm. ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีศรัทธาความเลื่อมใสความเชื่อในคําสั่งคําสอนไม่ให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจัง mm hmm. ผลประโยชน์อันสูงสุดของพระพุทธของพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นถึงแม้จะ จ, จะมีศรัทธาก็ตามแต่ไม่ให้ไม่มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจังบางคนเกิดมาแล้วก็มีเกิดในครอบครัวที่นับถือพุทธศาสนาก็อาจจะบวชกันแต่เป็นการบวชทดแทน บุญคุให้แก่พ่อแม่บวชเป็นพิธีคือบวชระยะเวลาหนึ่งเช่นสามเดือนเป็นต้นสมัยสมัยก่อนนี้มีเวลาบวชกันได้สามเดือนกันแต่สมัยนี้ยุคของวัตถุนิยมกระแสของโลกมีกำลังมากเวลาที่จะให้กับการมาบวชเรียนนี้กับลดน้อยถอยลงไปเด๋ยวนี้ เป็นกลายเป็นการบวชเพียงสิบห้าวันกันเป็นส่วนใหญ่น mm hmm. ี่แสดงว่าไม่ได้ให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติ mm hmm. ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเ น, นื่องถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อันสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้ออ mm hmm. mm hmm. ต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจังผู้ที่ให้กับให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจังก็คือพวกนักบวชนักปฏิบัติธรรมบวชเป็นพระแล้วต้องเป็นพระพระปฏิบัติ ด, ด้วย <c oughs> ไม่ใช่พระบวชเป็นพระแล้วก็มีแต่ร่ำเรียนอย่างเดียวก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์บวชแล้วเรียนอย่างเดียวไม่นาเอาไปปฏิบัติ ผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้นผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็นํามาวิธีที่ปฏิบัตินี้นํามาไปปฏิบัติต่อผลจึงจะปรากฏขึ้นมาได้นี่คือ การที่เราจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดการที่เราจะได้มีโอกาสทองของชีวิตเกิดขึ้นกับเรานี้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งมาพบกับพระพุทธศาสนาและต้องมีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเรื้องต้นเราอาจจะศึกษาในเพศที่เป็นของคารวะไปก่อน พวกเราทุกคนเกิดมาไม่ได้เกิดมาเป็นพระเลยไม่ได้เกิดมาเป็นนักบวชเลยเกิดมาเราก็เป็นคารวะกันก่อนผู้คลองเรือนแล้วก็ทําหน้าที่ของคารวะในขณะที่ยังยาววัยไปเรียนหนังสือทางโลกไปก่อนเรียนหนังสือระดับประถมมัธยมแล้วแต่กําลังของบิดามารดาที่จะส่งให้ไปเรียนได้ ยุคปัจจุบันนี้บิดามารดาการศึกษาทางโลกนี้สะดวกทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนถึงขั้นระดับปริญญาได้<ม>แต่ในสมัยโบราณ น, นี้การศึกษาไม่มีมากมก็การศึกษาอาจจะแค่ระดับประถมศ<ม>ึกันเท<ม>่าที่ศึกษาดูประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านออกบวชปฏิบัติธรรมท่านก็เรียนกันแค่อย่างมากแค่ป .4 ก็ดีไปอย่างท่านจะได้ไม่เสียเวลากับการศึกษาทางโลกมากจนเกินไปเพราะการศึกษาทางโลกต่อให้ไล่ระดับปริญญาเอกก็ตามความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้ก็เป็นเหมือนเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์ของใจนั่นเองต่อให้เรียนจบปริญญาขั้นไหนก็ตาม นักเรียนวิชาไหนก็ตา ม, มวิชาต่างๆทางโลกนี้จะไม่สามารถนํามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้ ม, มีวิชาทางพระพุทธศาสนาเพียงวิชาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนํามาไปใช้ม า, มามาปฏิบัติในการกําจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้ดัง<ม>นั้นในยุคปัจจุบันนี้ ก็จึงมีผู้มาบวชเรียนนี้ก็ต้องรอให้เรียนจบทั้งโลกก่อนเรียนจบปัญญาตรีกันก่อนมีน้อยคนที่จะมาบวชตั้งแต่จบป .6 เป็นต้นนอกจากว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีฐานะอะพ่อแม่ก็อาจจะให้ไปบวชเป็นบวชเรียนไปเลยเป็นเรยนไปก่อน บวดแล้วก็ไม่เสร็ อ, อย่างประวัติครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บวชตั้งแต่ตอนเป็นเด็กบวชเป็นเลนศึกษาทางธรรมไปเลยศึกษาแล้วก็ได้พบกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติท่านก็จะสอนวิธีการปฏิบัติทำให้ถ้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่เป็นแค่ผู้เรียนรู้ คำสอนเท่านั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติท่านก็จะสอนให้เรียนรู้ให้เรียนนักรมชั้นต่างๆนักทำเตโตเอกแล้วก็ให้ไปเรียนประเรียนประเรียนธรรมต่อจนจบประเรียนเก้าอันนี้เป็นการศึกษาทางพระพุทธศาสนาแต่การศึกษาแบบนี้เพียงอย่างเดียวโดยไม่นำมาไปปฏิบัติี้ ก็ยังเป็นความรู้ท่วมหัวตัวแม่รอดอยู่เช่นเดียวกันแม้ว่าจะรู้วิธีการปฏิบัติดับทุกข์ต่างๆแต่ถ้าไม่นำมาไปปฏิบัติเช่นการเรียนทางธรรมนี้ท่านก็นจะสอนเรื่องวิธีการปฏิบัติสุดงกรรมาฐานต้องถึงทุดงขวัตถึงจะสามารถกาจัดกิเลสปัญหาต่างๆได้ ถ้าไม่ใช้ธุดงขวัตนี่จะกำจัด ก, กิเลสต่างๆนี่มันยากความโลภความมาักใหญ่ใ่สูงความรักมา ก, มากความอยากได้มากๆการไม่มีความมากน้อยสันโดษต้องใช้กรรมาฐานต้องใช้ธุดงขวัตเป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสปัญหาที่มีความโลภมากที่มีความรัก รักรูปเสียงกลิ่นลดลักความสุขความสบายของทางโลก<ม>ให้มาขาดเก่าด้วยการปฏิบัติทุดงควัตเช่<ม>นให้บินทบาตเป็นวัดเป็นต้น<ม>ให้ถือการบินทบาตเป็นเป็นอาชีพเป็นการเลี้ยงชีพทาออกบ่อออกบินทบาต ท, ทุกวัน แล้วก็หลังจากกลับมาจากบินขบาทก็ให้ฉันอาหารในบาตร็อ<ม>คําเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวาย<ม>แล้วก็ให้ฉันเตียงมือเดียวก็พอฉ<ม>ันมากเกินไปก็จะกลายเป็นนิวรนคือความเจียดค้างความง่วงนอนกิน<ม>อิมอ่มๆ ม, ม, มากๆแล้วก็อยากจะนอนเม่อไกร่จะไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเป็นต้น แต่ถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่นําเอาทุดดงคาวัตเหล่านี้มาปฏิบัตินี้กิเลสที่มีอยูในใจนี้มันจะไม่หายไปเองมันจะไม่ได้หายไปจากการเรียนรู้วิธีรักอยู่แบบมักน้อยสันโดษว่าเป็นยังไงวิธีอยู่แบบเนาะมากน้อยสันโดษก็ต้องอยู่แบบถือธุดดงคาวัตต่างๆนี่นี่คือเรื่องของการที่จะ ให้กับมีเวลาให้กับการศึกษา ป, ปฏิบัติธรรมนี้มันก็ยากเหมือนกันมีอุปสรรคคอยขวางกัน้นไหนจะต้องไปเรียนทางโลกก่อนสมัยนี้พ่อแม่มก็ต้องส่งเสียให้ไปเรียนทางโลกอย่างน้อยก็ให้จบปริญญาก็เวลาก็หมดไปอายุก็มากขึ้นไปนแล้ ว, แ ล, วแล้วพอจบปริญญามาก็มีงานดีๆมาเล่าให้ไปทา พอมีงานดีเงินดีมันก็ไม่อยากจะไปบวชกันไม่อยากที่จะไปอยู่แบบทุกข์ยากลําบากไม่อยากที่จะไปกินเนื้อเดียวไม่อยากที่จะไม่มีแฟนอยู่คนเดียวไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆอันนี้คืออุปสรรคขวางกั้นของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนที่ฉลาจริงๆคนที่เห็นคุณค่า ของพระธารมคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเป็นคำสอนที่มีคุณค่ามาหาศาลมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณค่าของความรู้ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้<ม>ความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ยกเว้นคําความรู้ในพระพุทธศาสนานี้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการกาจัดความทุกข์ให้แก่จิตใจได้เลย มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพียงความรู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีใน ใ, นใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความฉลาดความเข้าใจถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาของคำสอน mm hmm. ก็จะไม่ขวนขวายกัน mm hmm. แต่ถ้ามีความฉลาดมีเห็นคุณค่าของ เขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นพระรัตนตรัยเปรียบเหมือนเป็นอั ญ, ญมณีอันล้ำค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคําสอนของทางโลกแล้วคำสอนของทางโลกความรู้ของทางโลกนี้เหมือนกับก้อนก้อนก้อนหินก้อนก้อนอิดก้อนหินเมื่อเปรียบเทียบกับอั ญ, ญมณีเพชรเนินจินดาแล้วคุณค่ามันต่างกันอย่างมหาศาล <Yeah. S 2> ถ้าตาบดาเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ว่าเป็นอั ญ, ญมณีที่ล้ำค่ารัตนะแปลว่าอั ญ, ญมณีเพชรนินจินดาที่ล้ำค่ารัตนะก็คือพระรัตนใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ที่จะเอามาสั่งสอนให้ผู้ศึกษาปฏิบัติได้นำมาใช้ในการกำจัดความทุกข์ทางใจได้ ไม่มีความรู้คำสอนของผู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถเอามาใช้กาจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ความรู้ทางโลกนี้ส่วนใหญ่ก็มีไว้สำหรับกาจัดทางด้านความอัตคัดขาดสนทางร่างกายคือเรื่องปัจจัยสี่ความรู้ทางโลกนี้จะสามารถทำให้ผู้มีความรู้นี้ไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ แต่จะไม่สามารถนำมัมาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้เรียนไปสูงขนาดไหนได้เงินทองทํางานได้เงินทองมามากมายขนาดไหนเป็นมหาเศรษฐีระดับไหนก็ตามแต่ใจก็ยังต้องทุกข์เหมือนกับคนขอทานนอนข้างขนมอยู่ดีใจความทุกข์ของใจนี้เหมือนกันเพราะว่าความร่ารวยก็ดีความรู้ที่ได้จากการศึกษาความรู้ทางโลกก็ดีนั้น ไม่สามารถนำมามาใช้กําจัดความทุกข์ทางใจได้จึงไม่ต่างกับคนที่เป็นขอทานที่ไม่ได้เรียนหนังสือที่ไม่ได้ร่ารวยมีเงินมีทองก็ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ทางใจได้เช่นเดียวกนน<ๆ>ันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีเห็ น, หนคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสอนว่าเป็นคําสอนที่ นำฆ่าอย่างยิ่งเป็นคำสอนเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เราสอนให้เราได้กำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่อันยั่งยืนอันถาวรของพระนิพพานได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำได้นอกจากพระพุทธศาสนาจากพระรัตนตรัยคือจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถ้าเราเห็นคุณค่าอย่างนี้แล้วเราก็จะยอมอุทิศเวลาชีวิตของเราให้กับการศึกษาต่อ ก, การปฏิบัติ mm hmm. ถ้าเคยทํางานก็อาจจะลาออกจากงาน mm hmm. มาอยู่วัด mm hmm. ถ้ายังต้องทํางานยังมีภารกิจอยู่ mm hmm. ก็แบ่งเวลาเวลาครึ่งหนึ่งก็ทําภารกิจไว้ก่อน อ, อีกครึ่งหนึ่งวันหยุดวันที่เราไม่ต้องทําภารกิจก็ไปอยู่วัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรม ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เพิ่มการศึกษาการปฏิบัติให้มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วได้รับผลของการปฏิบัติเราก็จะมีกำลังใจเห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปเราก็จะอยากเพิ่มการเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็อาจจะสามารถ ที่จะไปอยู่วัดออกบวชได้เลยให้เวลากับการศึกษาก า, การปฏิบัติอย่างเต็มที่อันนี้แหละที่เป็นองค์ประกอบที่สามของโอกาสทองของชีวิตคือเราจะต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะเราถึงจะสามารถรับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาได้อันนี้คือสิ่งที่พวกเรา คนที่จะเอามาพิจารณากันนานๆจะได้มาพบกับโอกาสทองอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเราเรามีสองงนแล้วคือเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วองค์ประกอบวันที่สามนี้เรามีมากพอหรือยังมีบ้างหรือยังตอนนี้ก็คงจะมีบ้างแล้วถึงเราถึงมาวัดกันเรามาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกัน เพ่ที่จะได้นำมาวิธีที่เราได้เรียนรู้ในการกำจัดความทุกข์นี้เอาไปใช้เอาไปในการปฏิบัติถระมาที่นี่เราก็จะได้ศึกษาครบคู่นต่อการปฏิบัติไปด้วยในศึกษาวิธีกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบเวลาใจนิ่งใจสงบได้ ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆ mm. ก็จะสงบตัวไปชั่วคราว mm. อันนี้ก็เป็นการให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติ mm. ถ้าเราได้เห็นผลจากการปฏิบัติติดสงบ mm. มีความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความโลภกโกรธหลงเบาบางลงมันก็จะทําทให้เรามีกําลังใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว mm. ยิ่งปฏิบัติมากผลก็ยิ่งปรากฏขึ้นมาก เมื่อผลยิ่งปรากฏขึ้นมากําลังใจที่อยากจะปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยจนในที่สุดก็จะสามารถปฏิบัติอย่างเต็มเต็มร้อยได้ที่เรียกว่าแบบสุปฏิปฏัปโนโนได้สุปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนยายะสามีจิตปฏิปันโนอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พอได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็คืออ มังผลนิพพานทั้งสี่ระดับก็จะปรากฏขึ้นมาตามลระดับนบุคคลอริยบุคลาพระอริยะบุคคลสี่ระดับก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามกําลังของการปฏิบัติของเรา <Yeah. S 1> ตอนนั้นที่สุดก็จะเข้าถึงถึงพระนิพพานได้ก็ได้บรรลุถึงพระอริยะบุคคลขั้นที่สี่คือขั้นพระอารหรันต์นี่นะคือเรื่องของโอกาสทองของชีวิตที่พวกเรานี้ ได้มาไดมารับแล้วในบางส่วนอาจจะยังไม่ได้ครบทั้งสามส่วนก็มีส่วนที่ขาดก็คือการการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนี้เองเราเป็นมนุษย์แล้วเรามีความสามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนได้เรามีพระธรรมคำสอนที่จะสอนเราให้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้ว าอยู่ที่ว่าเราให้เวลากับการศึกษาปฏิบัติมากน้อยเพียงไรเท่านั้นเอง<ม>ถ้าให้เวลาน้อยผลก็จะเกิดช้าและเกิดขึ้นน้อยถ้าให้เวลามากผลก็จะเกิดขึ้นแล้วเกิดได้มากมเราต้องคำนึงถึงชีวิตของเราด้วยว่าชีวิตของเรานี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเราอาจจะต้องจบชีวิตของเราไปได้ภายในวันใดวันหนึ่งก็ได้ถ้าเราไม่รีบตักตวงโอกาสทองอันนี้เสียตั้งแต่วันนี้ไป อย่าปล่อยเวลามีค่าอย่าปล่อยโอกาสทองอันมีค่านี้ให้หลุดและหลุดลอดจากมือของพวกเราไปเลยว่าจะเป็นการเสียชาติเกิดแล้วโอกาสหน้าที่จะได้มาเจอโอกาสทองแบบนี้ก็ไม่รู้จะต้องรอยกี่ล้านปีด้วยกันกี่กี่ล้านกลับด้วยกันกว่าที่จะได้มาเจอโอกาสทองอย่างนี้ดังนั้นถ้าขอให้ท่านจงน้ำเอาเรื่องของโอกาสทองของชีวิตนี้ไปพิพจนารณาดู เพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาเราขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้เพราะในลําดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติกันสามสิบนาทีแรกเราก็ศึกษาเรื่องของธรรมเรื่องของโอกาสทองแล้วสามสิบนาทีต่อมานี้เราก็จะเอาเวลาโอกาสทองนี้ มาปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเป็นขั้นต้นก่อนขั้นต้นก็คือทําจิตใจให้นิ่งให้สงบเพื่อหยุดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาแบบชั่วคราวไว้ก่อนก่อนที่จะไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นโทษของความโลภโกรลงว่าเป็นเหตุที่พาให้เราต้องมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆแลนะสิ่งที่ความโลภความอยากต้องการก็ล้วนเป็น ความทุกข์ทั้งนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเราไม่สามารถเก็บเอาไว้ให้เป็นของของเราได้ไปตลอดเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเดียวพอมันจางหายไปมันก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจอ น, นี้คือวิธีของการปฏิบททัติธรรมขั้นแรกเราต้องการให้ความทุกข์หายไปแบบชั่วคราวก่อนโดยการใช้สติควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึง เรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาพอใจหยุดคิดได้ความโลภความโกรธความหลงก็หยุดไปแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่จากความโลภโกรธหลงก็จะหายไปชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธินี้เหมือนกับกิเลสไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีเลยแต่ก็อยู่ได้เพียงไม่นานก็อยู่กําลังของสติ ถ้ามีสติมากก็จะอยู่ได้นานถ้ามีสติน้อยก็จะอยู่ได้ไม่นานพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องสัมผัสกับรูปเสียงกลิก่นรสต่างๆกับเรื่องราวต่างๆกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงก็จะโผลขึ้นมาแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่งางๆก็จะตามมาต่อไปในเบื้องต้นเรามาฝึกทาใจให้นิ่งให้สงบก่อนหยุดความทุกข์แบบชั่วคราวก่อน ด้วยการมีสติการระลึกรู้ควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจไม่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐานเช่นกรรมริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจดูตรงไหนก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้ืูที่หน้าท้องก็ได้ถ้ายัางดูลมไม่ได้ถ้ายัางพุทโธไม่ได้ใจยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปภายในใจนั่งอยู่ในท่าสมาธิหลับตาแล้วก็สวดไปสวดไปจนกว่าความคิดความฟุง้งซ่านจะลดน้อยถอยลงไปพอสามารถมาดูลมได้ก็เปลี่ยนมาดูลมก็ได้หรือถ้าจะใช้คําบริกกรรมพุทโธก็ใช้เปลืกรรมพุทโธ ก, ก, ก็ได้จะใช้คําบริกรรมอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใช่แต่พุทโธอย่างเดียวบางคนจะใช้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้ บางคนจะใช้พุทโธธรรมูสังโฆก็ได้ถูกแท้แต่ความพอใจความถนัดก็จะใช้อ แ, แบบอื่นก็ได้ใช้สัมมาอาระหังก็ได้ถ้าไม่ดูลมจะดูลูกแก้วก็ได้นั่งหลับตาแล้วเพ่งลูกแก้วให้นึกถึงลูกแก้วกลมๆใสๆแล้วก็เพ่งไปให้ให้ใจอยู่กับลูกแก้วไปใจก็สามารถสงบเข้าสมาธิได้กรรมฐานมีหลากหลายวิธี ไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนกันทุกคนบางคนใช้พุโทโธบางคนใช้สัมมาหลังบางคนใช้ยุบหนอพองหนอ่อแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ถ้าเคยได้เรียนรู้ทางไหนมาแล้วได้ผลดีก็ใช้ทางนั้นไปก็ได้ข้อสําคัญเวลานั่งอย่าเถลออย่าปล่อยให้ใจไปคิดหรือไปตามรู้เรื่องราวต่างๆมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปตามมีเสียงเข้ามาก็อย่าไปตามมี ความคิดเข้ามาก็อยากไปตามมีภาพปรากฏขึ้นมาก็อยากไปตามมีอารมณ์อะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อยากไปตามให้กาะติดอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าจะให้ใจสงบนิ่งต้องอยู่กับกรรมฐานใจสิงห์เป็นหนึ่งได้ใจสิงจะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้าไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะวอกแวกคิดไปคิดมาแล้วก็จะไม่มีวันสงบได้ ประเด็นสําคัญก็คือสติสติต้องมีกําลังอย่างต่อเ น, นื่องถ้ายังไม่เคยฝึกสติเมื่อก่อนก็ควรจะฝึกสติก่อนมานั่งสมาธิจะได้ผลดีกว่าถ้ามาฝึกสติตอนนี้มานั่งตอนนี้มันจะมีกําลังน้อยมากแจะไม่สามารถทําให้ใจนิ่งให้สงบได้นั้นต้องมีสติแล้วก็มีกรรมฐานถูกใจไว้ให้สติแล้วเลึกลุ่อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิ พอจิรตรวมนิ่งสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆไปจนกว่าจะถอนออกมาจากสมาธิต่อไปเราจะมานั่งสมาธิกันประมาณทั้งยี่สิบสามนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสาหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วตอนที่จะเลิกโปรดสังเกตดูว่านั่งแล้วสงบไหมวันนี้ถ้าสงบก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ ชาวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีเดิมได้จิตก็จะสงบเหมือนกันแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากมันจะไม่ทำให้สงบ้องวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยก็วควรไปฝึกสติให้มีมากขึ้นก่อนจะมานั่งเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันโดยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย แล้วต่อไปเราจะมีสติมีกำลังมากขึ้นเวละนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแ้าตาอไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสัขลังเอวามวาอิตโตจินังเตตานังอุปกะปะติอิจิตังปัติตังตุมหังคิด เ, เมวะสนิชะตุ สัพเพปุเริงตูสังกปาจันโทปนะระโสยธาณิโชติกระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพเพโลกวินาสตุมเติภวตวันตรายุสุขีทิขายุโกภวะ อาพิวาทานสิลิตะนิจังุทธาปจายิโนจะตารรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาังช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเทิร์ถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะว่าถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะให้คำตอบต้องขออาภัยด้วย mm hmm. ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอ mm hmm. นนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ mm hmm. คพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติจากทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์สุชาติ256ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ324 YouTube ดร V 42รบ Clubhouse สวิทยุออนไลน์4นากุติ135รวมทั้งหมด763ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุติค่ะข้อแรก กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมจะมีวิธีการดับทุกข์ได้อย่างไรหากลูกโกหกและพยายามให้เราเห็นด้วยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องตัวเองอยากทำและไม่ฟังคำแนะนำของพ่อแม่เจ้าค่ะก็จะทำยังไงล่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็บอกแล้วสอนแล้วห้ามแล้วแต่ถ้าเขาจะฝืน <c oughs> ก็เป็นกรรมของเขาไปเราทาอะไรไม่ได้ ข้อที่สองค่ะการที่คนเจ็บป่วยมีความประสงค์ให้ถอดเครื่องช่วยหายใจหรือให้วางยาสลบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานเป็นบาปไหมเจ้าคะคือถ้าไม่ทาให้ตายก็ไม่บาปเป็นการรักษาอยู่แต่ถ้าทำให้ตายตั้งใจให้ตายนี่ก็บาปข้อที่สามค่ะ การที่เราให้อาหารให้น้าแก่คนงานแล้วเขาบอกว่าเราดีเกินไปเราควรจะวางใจอย่างไรโยมก็เลยตอบว่าถ้าดีเกินไปแบบนี้ต้องอยู่คนเดียวภายในวงเล็บเพื่อปล่อยวางไม่ยึดติดพอตอบแบบนี้เขาก็ทำหน้างงๆกันแต่สิ่งที่โยมให้โยมไม่โยมไม่เคยจำเลยว่าให้เจ้าค่ะการวางใจแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะขอความพิจารณาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็อยู่ที่เราสุขหรือไม่สุข ก็ถูกต้องถ้าไม่สุข ก, ก็ไม่ถูกต้องงั้ต้องทำอะไรแล้วเราต้องมีความสุขถ้าทำแล้วไม่สุข ก, ก็อย่าทำคำถามจากทางยูทูบรับคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ขณะที่เรามาเกิดในภพชาตินี้ส่วนใหญ่มักจะจำไม่ได้ว่าตัวเองมาจากไหนเป็นมาอย่างไรหรือเคยอยู่ที่ไหนมาแต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วจิตดวงนี้ไม่ว่าจะไปอบมายภูมิหรือสวรรค์หรือที่ไหนไหนจิตดวงนี้จะจำที่มาได้ไหมจำอดีตบุญโลกได้ไหมครับคนบางคนมีอภิน ญ, ญามีความสามารถกรารรสชาติได้ก็มี แต่มีจานวนน้อยมากส่วนใหญ่เราจะจำไม่ได้ว่าอดีตก่อนเป็นเป็นชาวอะไรเกิดที่โลกไหนพบไหนเป็นชื่ออะไรพวกนี้จะจำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญสิ่งที่มันจำได้ก็คือบุญกรรมบุญกรรมที่เราทาติดตัวไปนี่มันจะไปกับเราเราชอบทำบาปมันก็จะพาให้เราไปทำบาปต่อเราชอบทำบุญมันก็จะพาให้เราไปทำบุญต่ออันนี้มันเป็นของที่ ไม่ต้องจดจำมันเ ป, นเปนอะไรที่เป็นปลูกฝังเป็นนิสัยขึ้นมามันจะไปกับเรา mm hmm. อะไรที่เป็นความจำมันก็จะลืมได้คำถามจากผู้รับฟังนะกุติค่ะอาจารย์ may I ask if we meditate and just concentrate on our breath put toe in and out will we will get Will we get any samadhi, or do we need to practice vipassana to get a better result? No, you don't practice vipassana with samadhi. They are two separate practices. When you do samadhi, you do concentration, focus your attention on your breath only. Don't need to use bhuto. If you want to use bhuto, then you can forget about the breath. Use only bhuto better. Use one only. Buddha, watching the breath, and you have to be constantly concentrating, paying attention to your breath or to your mantra. If you go think about some other thing, your mind will not go into samadhi. So you have to be very mindful all the time in order for the mind to become samadhi. คำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะสมาวิรรยะคือการที่เรากำจัดอารมณ์ขุนมัวออกจากจิตเราและเราและการพยายามสร้างกรรมดีขึ้นใช่ไหมคะเช่นเมื่อเรามีความไม่พอใจเราสลัดทิ้งและเราพยายามนึกถึงเมตตาให้อยู่ในใจเสมอแบบนี้จะอยู่ในข้อส ah e, ัมาวิรรยะไหมเจ้าคะก็อยู่การทำความดีต่างๆเรียกว่าเป็นการทำความเพียรต้องทำ ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดข้อที่สองสัมมาสมาธิหมายถึงเรากำหนดรูอยู่ภายในไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่กระทบที่มาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมค ะ, ะจิตนิ่งสงบเป็นดเบิดขาวางเฉยข้อสามความว่างคือการที่เราไม่ไปปรุงแต่งตามสิ่งที่เรากระทบททางอายตนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะ มันก็มีหลายระดับของความว่างความว่างที่ของสมาธินี่ก็ความคิดก็หายไปเลยเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวสักด์แต่ว่ารู้อย่างเดียวคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะเมื่อจิตสงบแล้วออกมาน้อมพิจารณาทางปัญญาถึงไตรลักษ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ใช่ตัวตนจิตใจไม่ตามความอยากพิจรารณาไปก็จะมีความอยากน้อยลงไปเรื่อยๆจนปล่อยวางและจะดับทุกข์ได้พิจรารณาถูกต้องไหมครับก็ต้องดูเวลาเจอของเจอทุกข์หนักๆเช่นเจอโรคอะรเงียเราดูพิจรารณาว่าเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเ มันเป็นของไม่เที่ยง <c oughs> เดี๋ยวมันก็ต้องตาย <c oughs> เราหยุดความอยากให้มันไม่ตายได้ไหมหยุดความอยากให้มันไม่เป็นโรคมะเร็งได้ไหมถ้าเราหยุดได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากทาง f เฟซบ o ๊กค่ะร่างกายเป็นธาตุไม่เที่ยงสักวันก็จะกลับเป็นดินน้ําลมไฟเหมือนเดิมอย่าสนใจมันคิดถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าคะคือต้องสนใจสนใจว่ามันเป็นธาตุนะ อย่าไปยึดติดก็มันต้องดูแลมันไปจนกว่ามันจะตายคำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะถ้าเราตัดสินใจให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจ ญ, ญาติเราแล้วคืนนั้นเขาเสียชีวิตเราบาปไหมเจ้าคะมันติดในใจว่าเราผิดเจ้าคะ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงเจ้าคะ่ะก็เราไม่มีเจตนาก็ไม่บาปเป็นเรื่องส่วนวิสัย คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะหากชาตินี้ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นระดับโสดาบันสกิดาคามีอนาคามียังไม่บรรลุขั้นสุดในชาตินี้หากเกิดมาในชาติหน้าจิตจะจดจําสภาวะโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีแล้วสามารถปฏิบัติธรรมต่อได้เลยหรือจิตจะลืมสภาวะแล้วต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่อีกเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ลืมอ่ะมันเป็นของจริงมันไม่ใช่เป็นของจํา มันนงมนมนกินข้าวอิ่มแล้วมันมันก็ไม่ลืมยังไงมันก็ไม่ลืมกลับบ้านมันก็ยังไม่อิ่มอยู่อย่างนั้นอ่ะข้าวอิ่มมันเป็นเรื่องของประสบะการณ์คำถามจากทาง y o u t u ด็อกตอร์วีค่ะ ถ้าหากผมถือศีลแปดอยู่บ้านได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตตะภาวนาควบคู่กับการทำงานไปด้วยแล้วสามารถดูรายการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพบ้านหรือรายการข่าวเศรษฐกิจและการเงินสามารถดูได้ไหมครับดูได้ไมมีใครห้ามเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราเดินถอยหลังไม่ได้เดินก้าวหน้าถ้าเดินก้าวหน้าดูเรื่องธรรมะดีกว่า าไม่คำถามถามลองไหมวันนี้ไม่มีเลยมีใครอยากจะถามไหมมีอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเลิกร็จะมาขอถามจะต้องขออภัยด้วยเพราะไม่สะดวกไม่ต้องเงไม่ต้องไม่ต้องเกงใจไม่ต้องอะไรคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ บางคนเมื่อเจอความพัดพากสูญเสียเศร้าใจได้แป๊บเดียวสักพักก็เพลินกับชีวิตทางโลกต่อแต่บางคน ก, <c oughs> กับเกิดความเศร้าโศดสังเวชใจและไม่สนุกสนานกับการใช้ชีวิตเหมือนเดิมมุ่งหาอารยะทรัพย์ทำไมคนสองกลุ่มจึงมีความต่างกันครับทั้งที่ประสบกับภัสสะเดียวกันครับความยึดติดไม่เท่ากันถ้ายึดติดมากก็จะเศร้างานถ้ายึดติดน้อยก็จะเศร้าน้อย ้าาไไมม่่ยยยดดติเเเลลก็จะศรคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเมื่อนั่งภาวนาจนลมหายใจละเอียดกายเบาแล้ว เ, เห็นความคิดผุดขึ้นมาเป็นพักๆแต่เราไม่ได้ไปตามความคิดถือว่าได้สมาธิไหมคะยังยังไม่สงบเนี้ยความคิดต้องหายไปเลยถึงเ ร, เรียกว่าได้สมาธิต้องนิ่งสงบวางเฉย คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะสังขารร่างกายในวัยชรามีแต่โรคภัยและความเจ็บปวดจะปล่อยวางอย่างไรฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวันแต่ปล่อยวางยากมากเจ้าค่ะงนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วจิตก็จะปล่อยวางได้จะไม่ทุกข์กับร่างกายได้คำถามจากทาง u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ หากเราใช้บุญใช้กรรมแล้วอยู่ในสถานะที่จะกลับมาเกิดใหม่แต่ยังไม่มีร่างให้เกิดจิตจะอยู่ที่ไหนก่อนครับก็อ ย, อยู่ที่ที่น <c oughs> ั่นแหละอยู่ที่ที่คิวเขอยู่ที่รอไปก่อนค <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะย่อมคิดย่ โยมมีความคิดว่าพอเกษียณอายุราชการโยมจะไปอยู่วัดค่ะได้สวดมนต์ได้ทำหนุบํารุงพระพุทธศาสนาคิดถูกต้องแล้วใช่ไหมคะการไปวัดก็เป็นการกระทําที่ดีแต่อย่าไปเป็นภาร ะ, ะของวัดเขาแล้วกันไปแล้วก็ต้องไปทาตัวให้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและทั้งกับวัดด้วยคือมีหน้าที่อะไรที่พอจะช่วยเหลือทางวัดได้ก็ช่วยไปแล้วส่วนงานของเราคืองานปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปควบคู่กันไป อย่าไปอยู่ไปกินไปนอนอนะาศัยว่าอยู่กินนอนอันนี้ถ้าไปอยู่แบบนี้ก็ไม่ถูกว่าเป็นที่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นที่บ้านพักคนชราคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ตั้งใจรักษาศีลห้าเมื่อวันไหนเราไปดื่มสุราเราจะรู้สึกผิดในใจรู้สึกหนักมีความทุกข์มากจนสุดท้ายเราเลิกดื่มเราเลิกดื่มน้อยลงน้อยลงแบบนี้ถือว่าการรักษาศีลจะส่งผลให้เราเลิกดื่มสุราได้ใช่ไหมครับใช่เรามีพิริโอตปามีความอายในการกระทํำบาปมีความกลัวผลของบาปคือทำแล้วทําให้ใจเราทุกข์ไม่สบายใจ ถามทางเฟซบุ๊กค่ะเคยทํางานจนลืมว่ารอบเดือนไม่มาแล้วเกิดตั้งครรภจนแท้งเราบาปไหมคะถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปการทําบาปนี้ต้องมีเจตนาความตั้งใจแล้วมีการกระทําแล้วมีมีผลของการกระทําเกิดขึ้นคือทําให้สิ่งนั้นตายไปนี่ถึงจะเรียกว่าคร บ, ครบองค์ของการกระทําบาป ถ้าไม่มีเจตนาแล้วเกิดถึงนั้นตายไปอาจจะถือว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัยเช่นขับรถไปแล้วสุนักวิ่งตัดหน้าแล้วชนสุนัขตายอันนี้เราไม่มีเจตนาที่จะชนเขาตายเขาวิ่งมาตัดหน้าเองอันนี้ก็ไม่บาปแต่ถ้ า, ามีเจตนาเห็นสุนักเดินอยู่ดีๆก็เลี้ยวชนเลยอันนี้บาป หมดแล้วเหลือคำถามยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะโอเคถ้าไม่มีเราท่านนี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอ